หลวงพ่อครับสวัสดีน้องนิชาคุณวโรกรและคุณชวีวรรณครับพอดีน้องนิชาจะถามข้อมูลหลวงพ่อผมก็เลยเปิดขับเฮาเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยครับก็ให้เรียนน้องนิชาจะได้ทำหลวงพ่อเชิญเลยครับกบารรำสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านเออคืออ่าหลายวันที่ห่านมามัน มีสภาวะค่ะอ่อย่างเช่นเหมือนว่าอา่ทุกอย่างมันเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ต้องมาตั้งสติรู้ปัจจุบันเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็อ่าล่าสุดมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเอ่อ ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่รู้สึกไม่ว่าจะเป็นรู้เห็นวิสังขารสังขารหรืออะไรมันก็ไม่มีค่ะมันเป็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างเนี้ยค่ะครับกับ น, นมิศการหลวงพ่อครับได้ยินไหมครับผมครับไม่ได้ยินครับหลวงพ่อฝนตกนะครับไม่ทราบนิชาได้ยินไหมครับไม่ได้ น, นะคะไม่ได้ยินพี่พูดไหมครับไม่ได้ยินเลยคะ่ะหลวงพ่อเพิ่มเสียงลองเพิ่มเสียงดูค่ะอาจจะเกี่ยวกับเสียงนิชาได้ยินพี่ไหมครับได้ยินค่ะ อ๋อของหลวงพ่อไม่ได้ยินทีครับอพอดีที่ที่นี้ฝนตกด้วยนะครับที่สงขลาที่หลวงพ่อไม่รู้สัญญาณเป็นยังไงบ้างกราบน้ำมันส ก, การหลวงพ่อออสครับเหมือนว่าหลวงพ่อต้องการพูดแล้วมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยมั้งคะเหมือนว่าเรื่องเสียงอะคะ่ะน่าจะใช่สัญญาณไม่ดีไม่ได้ยินเลยเอาอยัางไงดีพี่ไม่มีใครได้ยิน ได้ยินหรือเปล่าคะตอนนี้คือตอนนี้ไม่ได้ยินใครพูดเลยอะคะ่ะได้ยินน้องไม่ชาพูดครับอ๋อได้ยินพี่<ม>จอมคงพูดครับคงหลวงพ่อน่าจะมีปัญหาทางด้านขัญญาณเงียบหมดแล้วอ่ะน่าจะได้แล้วมั้งพ่อ้ได้แล้วได้แล้วคะ่วคะ นวัตกรรมครับหลวงพ่ออ้าโอเคโอเคได้ละอ่ะทีนี้เมื่อกี้เริ่มต้นยังไงเนาะว่าใหม่อีกทีนหนึ่งคือหนูเออเ่าสภาวะอ่าที่ป่านะปัจจุบันเนี้ยค่ะมันเอ่อจะมีผู้รู้หนึ่งตัวที่หนูคิดว่าเป็นผู้รู้ตัวปลอมแล้วก็มันจะมีผู้รู้อีกตัวหนึง่งที่ดูผู้รู้ตัวปลอมอยู่และ แล้วช่วงนี้คือมันมันไม่มีการตั้งรู้ตั้งดูตั้งเห็นอะไรเหมือนไม่มีปัจจุบันอนาคตหรืออดีต ท, ที่จะต้องมารู้มาดูมาเห็นแล้วก็มันก็รู้อยู่อย่างนั้นผมไม่ต้องไปตั้งสติดูอยู่กับปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็มันมันก็ เหมือนว่ามีไม่มีอารมณ์ร่วมแต่การกระเทือนของกายยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันเห็นเลยว่าไอ้ที่เราไปรู้มันเป็นวิสังขารสังขารอะไรทั้งหมดอังมวลมันก็ไม่มีค่ะมันก็ไม่มีผู้ที่จะไปเห็นรู้วิสังขารหรือรู้สังขารแล้วเหมือนมันไม่มีทั้งผู้ที่เป็นวิสังขารและผู้ที่ไปเห็นวิสังขารนะคะ แล้วถ้าเป็นปัจจุบันนี้มันมีมันมีมัน ม, ม, นมีปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเนาะขนาดจิตนี้เดี๋ยวนี้ลองพูดเป็นภาษาสิว่ามันมันมีหรือไม่มีอะไรมันลองโกนนิชาพูดดังๆนิดนึงครับไม่ได้ยินมันไม่ได้มีวิสังขารมันไม่ได้มีสังขารค่ะ แล้วคนที่กำลังพูดนี้เป็นสังขารไหมไม่ค่ะแล้วก็ไม่มีวิสังขารด้วยค่ะ mm hmm. มัน mm hmm. มันเป็นยังไม่ใช่ทั้งสองค่ะมันไม่ใช่อะไรอะค่ะแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่รู้ค่ะไม่มีให้เห็นไม่รู้เลยค่ะแล้วตัวยังพูดอยู่ไม่เห็นหรอก็ มันมีว่าพูดอยู่อะค่ะแต่ผู้รู้ตัวไหนอะไรคือผู้รู้มันไม่ได้ทำงานนะคะว่าให้มาดูว่ามีผู้มีผู้มามีเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลวงพ่อจะมองว่าบางทีเราพูดเป็นแบบ เหมือนกับว่ามันพูดอีกขั้นหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อต้องการที่จะให้เราพูดแบบแบบเป็นเป็นภาษาคนก่อนเนาะเพราะว่าภาษาธรรมเนี่ยบางทีโอเคหลวงพ่อเข้าใจเนาะภาษาธรรมบางทีมันไม่มีคำพูดหรอกคือคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ปรุงแต่งว่าอะไรเป็นอะไรนะอันนั้นคือสิ่งสูงสุดสัจจะคือนิ่งเป็นบใบแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าหลวงพ่อต้องการให้โยมพูดเป็นภาษาคนนะเพื่อให้เข้าใจตรงที่ว่าเอออย่างเช่นสมมุติว่าอย่างที่บอกว่า มันไม่มีสังขารแล้วก็ไม่มีวิสังขารเนี่ยเออต้องต้องพูดเป็นภาษาคนเพื่อขยายให้คนอื่นเข้าใจว่าทําไมจึงบอกว่ามันไม่มีสังขารและไม่มีวิสังขารคือว่าตอนที่คือตอนที่หน่เนี่ยไปเห็นผู้ที่ไปผู้รู้จริงไปสมมติเอาตอนตอนตอนที่ผู้รู้จริงไปดูผู้รู้ปอมะค่ะ มันก็เห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เห็นผู้รู้ปลอมทำงานแล้วเพราะว่าผู้รู้จริงทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันยังไม่จบมันมีการทำงานของต่างการตั้งว่ามีผู้รู้จริงอยู่มันมีผู้ไปตั้งว่าเนี่ยผู้รู้จริงทำงานนะมันมีตัวที่เหลืออยู่ที่มันไม่จบอะค่ะมันมันยังไม่แล้วมันมีการแว็บเข้ามาวันนี้สด เลยว่าไอ้ที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาดูมันมารู้สึกมาที่บายว่าผู้รู้จริงมาดูผู้รู้ปลอมนะไอ้มันมีผู้รู้จริงนะอันมันมีผู้รู้ปลอมที่มันถูกรู้นะแล้วมันมีผู้รู้จริงนะที่มันมันไม่เห็นเลยนะแล้วก็มันก็ไม่ทําอะไรมันแค่รู้เนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีทั้งตัวนี้แล้วก็มันไม่มีทั้งตัวนั้นนะคะเออ ขยายความนิดหนึ่งเนาะผู้รู้ปลอมความหมายที่ที่โยมกล่าวถึงมันมันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวให้คนอื่นได้ได้เข้าใจตรงกันเนะผู้รู้ปลอมก็คือผู้รู้ที่เป็นวิญญาณาขันธ์ทึ่งหนูอะ่ะเอาตัวหนูไปเป็นตัวนั้นก่อนนะคะตอนแรกๆอ่ะคะ่ะแล้วมันหลุดจากตรงนั้นมามันก็หมายมั่นว่าเนี่ยเราอะ่ะหลุดจากผู้รู้ปลอมแล้วนะแล้วมันจะมีผู้รู้หนึ่งตัวซึ่งเราตั้งชื่อมันว่าวิสังขาร ไปดูตัวตัวนี้อีกทีตัวจิตเหมือนเราเห็นจิตทํางานหรือไม่ทาํางานเงี้ยเราเห็นจิตแล้วแล้วก็จิตก็เป็นผู้ถูกรู้ไปแล้ววิญญาณเออคันค่ะทั้งหมดเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วแต่เราลืมดูไหมว่าผู้ที่ที่เราตั้งว่าเราเราพูดอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเราอะเป็น ตัวนั้นเป็นผู้ถูกรู้อยู่แล้วแล้วมันมีอีกตัวนะไอ้ที่พูดก็เป็นตัวเราอะที่ไปเห็นไปพูดไปดูไปตั้งว่าตัวนั้นเป็นวิสังขารอันนี้เป็นสังขารมันยังเหลือตัวนั้นอยู่อ่ะค่ะเก่งนะหลวงพ่อเข้าใจเนะาะเพราะว่าขยายความในเรื่องของผู้รู้ปลอมผู้รู้จริงแล้วขณะนี้เนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้นะวินาทีน เ, นเนี่ยที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะพูดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจเนี่ย มันมีผู้รู้ปลอมไหมเดี๋ยวนี้มันไม่มีผู้รู้คือมันมีหรือไม่มีมันไม่ได้ไปตั้งว่ามันมีไหมมันมันไม่ได้ไปตั้งว่าตัวนี้เป็นผู้รู้แล้วอะค่ะคือคือมันไม่มีการตั้งหมายว่ามันมันเนี่ยผู้รู้จริงผู้รู้ปลอมแล้วอะค่ะมันเหมือนมันมันมันไม่ตั้งหมายว่าไม่มนมีชื่อหมายเลยว่าอันนี้ปลอมอันมันก็ทำงานของมันไป ของมันเราไม่ได้ไปตั้งชื่อมันแล้วอะค่ะว่าอ๋ออันนี้คือสังขารอันนี้คือผู้รู้ต่ออันนี้คือวิสังอะไรมันเป็นทุกอย่างมันเป็นเดียวกันหมดเหมือนมั น, ม, นมันก็เป็นอันเดียวอะค่ะโอเคเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นปัจจิตังอะนะหลวงพ่อเข้าใจเนาะแต่ทีนี้เอาละในเมื่อคน mm. ผู้คนทั้งหลายเนาะเขา เขายังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจที่ของยังไม่เข้าใจเหมือนโยมนิชชาเนาะแต่ทีนี้เราจะอันนี้หมายถึงว่าการแนะนําเพื่อให้เขาเห็นตามเนาะให้เห็นตามตามที่ที่โยมได้กล่าวเนี่ยคือเหมือนกับว่าเห็นถึงว่าเออมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรนะ อ, อ, อันเนี้ยพอมีมีเยอะแหละในในใ น, ในโลกนี้เนาะที่ที่ที่แบบยังไปไม่ถึงทีนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านรู้แจ้งแล้วจนไม่มีคําพูด ว่าอะไรเป็นอะไรคือคือมันหยุดนิ่งเงียบไปหมดแล้วแต่ท่านก็ยังใช้ภาษาคนภาษาสมมติเพื่อที่จะชี้บอกทีนี้อยากจะให้โยมนิชาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเออมาลองพูดพูดเนาะเหมือนกับคราๆแนะนำอะแล้วก็จะบอกกับคนที่เขายังไม่ถึงตรงนี้อย่างไร ผมถามได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาเอาตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะออกไปนอกอื่นขอให้โยมนิชาถามเรื่องนี้แหละครับว่าถ้าเกิดไม่กินข้าวแล้วหิวไหมครับว่าคุณนิชาหิวไหมครับเดี๋ยวเดี๋วก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปก่อนนะคําถามนะแป๊บหนึ่งก่อนนะขอให้โยมนิชาเอ่อได้แนะนําก่อนเพราะว่าถ้าโยมนิชาแนะนําแล้วเนี่ยเราอาจจะหมดคําถามก็ได้นะอคือ การที่มาถึงตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติเหมือนที่เคยบอกไว้อ่ะคะว่าเริ่มจากการดูจิตเห็นจิตเอทํางานเหมือนับเป็นทุกคนก็ถ้าเห็นแบบนั้นเหมือนกันอย่างรู้ว่าอาการต่างๆทั้ ง, ง, งหลายมันทํางานแล้วก็เห็นใช้จิตเป็นตัวเห็นไปก่อนจิตในที่นี้หมายถึงตติที่ที่ที่เราลึกรู้ว่ามีอาการต่างๆ อ่าอันนี้คือง่ายๆเลยสติเอามารู้มารู้มารู้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ข้ามจากนั้นไปคือใครรู้ใช่ไหมคะเราก็เรารู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรียนรู้มาตามที่ทุกคนได้ฟังมาอยู่แล้วก็ก็พอเรารู้เสร็จแล้วก็รู้เราพอรู้เรามาเสร็จแล้วก็เห็นจิตที่มันไปรู้อาการต่างๆเห็นว่ามันเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วใช่ไหมคะพอเห็นตัวทังถูกรู้ไปแล้วมันยังมี มันก็จะหายไปเลยตัวนั้นมันเพราะมันถูกรู้ไปตลอดอย่างเช่นหลวงพ่ออัดอธิบายว่าไอ้ผู้รู้ไอ้ที่มันมันเป็นตัวที่รู้เราอ่ะมันจะมันจะตัดไอ้ตัวนี้ไปเร็วมากจนเราไม่เห็นว่ามันมีอยู่แต่มันก็มีอยู่ไอ้ตัวนี้มันก็ทำงานน้อยลงเหมือนเหมือนมันก็ทำงานอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวที่ไปดูผู้รู้อีกทีมันทำงาน เด่นกว่ามันก็เลยไอตัวนี้โผล่มาตัวนี้ก็ตัดเงี้ยเราก็เลยไม่มารู้โกรธอีกแล้วไงคือโกรธแต่ไม่ต้องมารู้แบบโอ้โหรู้อยู่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนก่อนก่อนนะคะโกรธเมื่อไหร่รู้ปับ๊บคิดเมื่อไหร่รู้รู้ไปหมดคิดรู้คิดรู้รู้บน่นรู้ดา่ารู้หิวลู้รู้ ร, รู้ทุกอย่างเพราะมันมีสติรู้กํากับเลยรู้มันต้องแบบรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบัน แ ล, แล้วพอเราพบตรงนี้เราก็เห็นว่ามีอีกตัวนะที่ไปดูไอ้ตัวนี้อีกทีอ่ะแต่เราก็รู้อยู่เนืองๆว่าถึงแม้จะพบตัวเนี้ยที่เราเรียกวิสังขารเนี้ยมันยังไม่จบมันยังไงก็รู้ตัวอตัวเราจะหลอกตัวเราไม่ได้ว่ามันจบแต่มันไม่จบอ่ะมันก็จะมีอยู่ค้างคาอะไรอ่ะยังไม่จบเลยนึกว่าตรงนี้สุดแล้วก็รู้ตรงนี้ก็เห็นอยู่ ก็ไม่ต้องมาตั้งคําถามใครรู้อยู่ทําไมมันนมันก็มายังมีตัวเราอยู่เนืองๆ อ, อาจจะลดลงไปอ่ะตัวเรามันจะมันจะเห็นแต่มันก็ยังขึ้นมาอยู่ให้ดูเราก็เลยต้องถามว่าอา่าแล้วใครใครเห็นใครดูอีกแล้ววิสังขาร น, นี่ใครรู้มันก็มันก็เป็นอีกซ้อนไปขึ้นไปอีกอะ ว, ว่าไอตัวที่ไปรู้ว่ามีวิสังขาร หรือรู้ว่ามีตัวดูอีตัวรู้อีกทีก็เอาเราไปมันก็มีเราอยู่ตรงกลางนันอีกทีอะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นแ่ะแล้วก็เห็นว่าอ๋อวิสังขารทางานอันนี้ตัวรู้ปลอมอันนี้ตัวรู้จริงแต่มันยังมีเราที่ไปรู้ว่าอันนี้ตัวรู้ปลอมอันนี้ตัวรู้จริงพอมันเห็นตรงนั้นมันก็ก็เออก็มันก็ไม่ต้องมาดู ก็มันก็ผ่านตรงนั้นคือมันก็ไม่ต้องมามามามีตัวเราไปดูตัววิสังขารไหมหรือไม่สังขารมันก็รู้อยู่แต่มันไม่ต้องมามีผู้ที่ว่าโอ๊ยอันนี้ผู้รู้จริงผู้รู้ปลอมแล้วอะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้มันรู้แต่มันไม่มีตัวที่ว่านี่คือกำกับเลยว่านี่คือผู้รู้ปลอมผููรู้จริงอะคะ่ะนี่คือคำอธิบายที่สามารถอธิบายได้ณตอนนี้ค่ะ ของโยมเนี่ช่เนี่ยคือมีที่มาที่ไปเนาะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาถึงสุดยอดตรงนี้มันมีที่มาที่ไปก็คืออย่างที่โยมเล่าคือเบื้องต้นเนี่ยดูจิตนะดูจิตจิตในที่นี้คือหมายความว่าดูอาการนะจริงๆอ่ะยังไม่ใช่จิตหรอกแต่ว่าไปดูอาการเช่นไปดูความโกรธความโลภความหลงความรู้สึกนึกคิด อันนี้มันเป็นความปรุงแต่งเนาะจะเรียกว่าจิตก็ได้แต่มันจิตปรุงแต่งจิตสังขารนะแต่ทีนี้จุดที่พลาดนานหลายปีที่โยมเล่าไว้ฟังก็คือดูจิตดูจิตตรงนั้นเนี่ยคือมันเอาตัวเราไปดูแต่โยมไม่รู้ตัวเองว่าตัวแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเอาตัวเองไปดูเพราะว่าคำคำว่าดูจิตที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นผู้ดูจิตแต่มันจะมีจิตอีกจิตหนึ่งเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นผู้ดูจิต แต่ของโยมเข้าใจคาดเคลื่อนนึกว่าเป็นผู้ดูจิตแล้วก็เห็นจิตจนกระทั่งต่อมาได้ฟังเนี่ยในครับเฮาบอกว่าคือเวลาเราคุยกันนะเราก็ต้องถามกันก่อนว่าที่โยมบอกว่าดูจิตนะดูดีๆทีเคยเป็นคนดูจนกระทั่งโยมเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้ดูจิตตรงเนี้ยโยมก็เลยแบบเอกใจขึ้นมาว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้ดูจิต เพราะโยมเคยเล่าไว้ฟังว่าโยมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักตัวเองที่เป็นกายเนาะก็เลยได้แต่เพ่งจิตดูจิตเฝ้ามองดูแต่จิตนะจนกระทั่งได้รับคําแนะนําเมื่อมีคําถามขึ้นว่าใครดูจิตจนกระทั่งโยมเข้าใจว่าอ๋อยังมีเราเป็นผู้ดูจิตไอ้ตรงที่รู้ว่ามีเราเป็นผู้ดูจิตเนี่ยตอนนี้มันจะมีจิตแท้จิตเดิมเดิมจิตตัวจริงอ่ะอเป็นผู้รู้เรานะพอจิตตัวจริง นะจิตตัวจริงมารู้เราเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันมีลักษณะเดียวกันกับอาการของจิตอาการของจิตก็เป็นสิ่งถูกรู้และตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแต่เดิมเนาะก่อนที่โยมจะเข้าใจถึงขั้นนี้ยังมีตัวโยมเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้จิตคือรู้อาการของจิตแต่พอบอกว่ามารู้ตัวเรา จึงเห็นได้ว่าอ๋อไอตัวเราที่เป็นผู้ดูจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้ปลอมรู้นั่นรู้นี่นะเป็นรู้ปลอมพอเป็นเสร็จแล้วโยมก็มีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจจิตแท้จิตเดิมที่มาเป็นผู้รู้เราพอมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วแรกแรกใหม่ๆโยมก็จะไปหานะโยมก็จะไปหาไอจิตจิตแท้ๆอีกนะพยายามจะหาหาไปหามาหาไปหามาจนกระทั่งว่าออกยังมีตัวเราเป็นผู้หาจิตอีกแล้ว แต่ว่าเมื่อมีการเพียนดูสังเกตก็จะพบว่ามันมีตัวเราเนี่ยพยายามจะหาหาจิตแท้จนจิตแท้มารู้ตัวเราบ่อยๆพอรู้ตัวเราบ่อยๆจึงพบว่าอ๋อถ้าตราบใด ย, ยังมีตัวเราเป็นผู้หาจิตแท้มันก็ไม่จบแต่ถ้าจิตแท้ซึ่งมันรู้เราอยู่แล้วโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหามันนะ่ยอย่างเนี้ถึงจบเพราะฉะนั้นพอจบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโยมเนี่ยจนเหมือนกับว่า อธิบายเป็นภาษาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็วนๆเนาะโยมจึงบอกว่ามันไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วสิ่งถูกรู้ก็ไม่มีผู้รู้จริงก็ไม่มีตรงนี้เข้ากับว่าเป็นความสงบอย่างยิ่งแล้วคือหยุดคําอธิบายหยุ ด, ยดคําอธิบายก็เหมือนกับ ว, ว่าไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างเก่าแล้วก็คือแค่อยู่อย่างปกติธรรมดานะไม่ต้องค้นหาไม่ต้องแสวงหาให้มันปรุงแต่งวุ่นวายนะเพราะว่ามันเป็นปัญญาขั้นขั้นที่ว่าหยุดแสวงหาแล้ว พอหยุดสวงหามก็อย่างที่โยมพูดน่นแหละคือมันไม่มีอะไรนะสิ่งที่มีมันก็ไม่มีหมายความว่าสังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งมันมีแล้วดับมันมีแล้วหมดมันไม่มีอยู่จริงนะส่วนไอ้จิตแท้จิตเดิมนะความไอ้ตัวรู้แท้เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะมันไม่เคยปรากฏอะไรนอกจากมันเป็นความรู้โยมก็เลยพูดถึงมันก็เลยอย่างที่พูดในช่วงแรกๆนะบอกว่ามันไม่มีทั้งสังขารไม่มีวิทไม่ทั้งไม่มีทั้งวิสังขาร คืออันนี้มันเป็นสูงสุดจนแบบล้มกระดานไปทั้งหมดซึ่งเป็นปัจจตังนะคนอื่นเยจะเข้าใจได้ยากมากเพราะว่าของเราเนี่ยมันยังติดในเรื่องของสังขารอยู่ยังมีตัวเราเป็นผู้หาเป็นผู้ถามแต่ก็ไม่รู้ตัวเราเนาะพอเราถามเราก็ไม่รู้ตัวเราพอเราคิดก็ไม่รู้ตัวเราตัวเราไม่เคยเป็นสิ่งถูกรู้มันก็เลยข้ามพ้นจากตัวเราที่เป็นสังขารไม่ไดนะ้อันนี้ก็หลวงพ่อก็ลําดับเพื่อที่จะอาจจะผู้ที่ ระหว่างเดินทางยังงงๆแต่ก็ฟังเนี่ยอาจจะเห็นช่องทางมากขึ้นเหมือนหลวงพ่อบางครัง้งบางข่าวนะมันความรู้ที่จะพูดไม่มีเลยเหมือนกับว่ามันหยุดเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะมันมันตื้อตันมันมันนิ่งไปเลยมันไม่รู้จะพูดอะไรธรรมะไม่มีแต่พอถูกกระทุ้งหน่อยหนึ่งเออมันก็เริ่มปรุงแต่งเนาะพอปรุงแต่งมันก็เออเริ่มพูดได้เริ่มคิดได้แล้วก็มันทํางานได้เออก็มีบ่อยๆจริงๆเลยบางทีเนี่ยเวลาจะ ก่อนพูดเนี่ยเหมือนกับจะคุยเรื่องอะไระมันไม่มีเลยอะ่ะยังคิดไม่ออกยังบอกไม่ถูกเลยแต่พอเริ่มฟังอะไรหน่อยหน่อยหน่อยหนย่มันก็เออมันก็เริ่มปรุงแต่งทาให้มีภาษาพูดขึ้นมาว่ามีนั่นนีนี่แล้วก็สิ่งที่มีสิ่งนั้นดับหมดใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ต้องไม่ต้องดับเออเป็นสิ่งเป็นธรรมะตากไปงั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของต้องฟังเนาะ ที่มาที่ไปก็คือเหมือนของโยมอะแหละคือต้องฟังฟังแล้วพิจารณาตามพินาตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าถ้ามันไม่ติดขัดจริงเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเพราะเมื่อฟังไปเรื่อยๆเนี่ยคำเฉลยเดี๋ยวมันก็จะออกมาแต่ว่าถ้าบางทีเรายัางไม่ทันฟังเราฟังไม่จบเราถามเสียก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คำถามคําตอบคํำพูดเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยมันก็เลยไปบังความจริงเพราะความจริงมันเป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดเนาะ ของหยาบมันก็ไปบางสิ่งละเอียดก็ทำให้ไม่รู้จักสิ่งที่ละเอียดแต่ถ้าอยู่เฉยๆฟังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆรู้แจ้งรู้จริจงรู้ตามได้ก็หลวงพ่อก็พูดมาเท่านี้ก่อนยมนิชามีอะไรจะพูดเพิ่พูดหมายถึงว่าขยายในสิ่งที่หลวงพ่อยังพูดไม่หมดก็อลองลองพูดอีกทีก็ได้เนาะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ ไม่ตาแล้วก็ชี้แนะในจุดจุดหนึ่งที่หนูเคยติดนะคะอย่างแรกก็คือขอกราบขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะเพราะถ้าไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ผู้ชีน้แนะมันก็ติดนานตรงนั้นนี่ติดนานที่สุดละคะ่ะไอตรงนี้มันยังไม่ติดเท่าตรงนั้นว่าตรงนี้มันไม่กี่วันแต่ตรงนั้นนี่นี่มันติดจนทุกตรงที่ผู้พูรู้จิตขันหาไปดูขันหาเนี่ยมันมันติดจนทุก มันหาทางออกมันก็มีตัวเราอยู่นั่นพอมาตรงนี้ก็คี้คายไปเบาไปหน่อยแต่ก็ก็ขอบพระคุณจริงๆอันนี้คือจริงใจจรจากใจไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงแล้วอ่าแล้วก็คำพูดมันก็เหลือน้อยอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้พูดสามคำไม่รู้มันพูดไม่ออกเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นคนอธิบายถ้าใครฟังฟังของหนูเนี่ย หนเนี่ยอธิบาย โ, โหชัดแจ๋ออธิบายละเอียดไปถึงจิตร้อนจิตตอนนี้มันพูดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันมันยังยังเอ่ยังหาอะไรมาพูดให้มันต้องต้องฟังกูบาอาจารย์อีกทีว่าเขาพูดอธิบายยังไงด้วยว่าในตรงเนี้ยให้มันแต็มแจ้งให้คนอื่นแต่ว่าตอนนี้เรายังยังเอ่อพูด ยังไม่ออกอะค่ะมันมันต้องมานั่งคิดพูดยังไงดีแต่ว่าไอ้ที่พูดสั้นๆตรงนั้นก็คืออันนั้นแหละค่ะแต่ว่าถ้าขยายความนี่หนูต้องไปเรียนรู้เรื่องการขยายความเป็นภาษาอีกทีว่ามันมันจะต้องเรียบเรียงยังไงอะค่ะแต่หลวงพ่อพูดมาเหมือนที่หนูอยากพูดค่ะหลวงพ่อได้อธิบายแบบนั้นแล้วอ่ามันก็คือรู้อยู่นั่นอะไรก็รู้อยู่นั่น ขนาดผู้รู้จริงก็ยังรู้อยู่นั่นคือมันรู้อยู่นั่นนะครับมันมีผู้รู้เราเอาผู้รู้ตัดก็เหลือแค่รู้นั่นแหละค่ะเรามันมันพลิกอีกนิดเดียวคือเราไปตั้งผู้ขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งผู้มันก็แค่รู้ตรงนี้คือจุดนิดเดียวมันเหมือ น, นผงทุลีที่เราต้องปัดออกไปจากจากกระจกหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันมันมีจุดนิดเดียวที่เราคิดว่าโหคำมาต้องเยอะมันแค่นี้ยเหลยที่ต้องพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งผู้ปฏิบัติตรงนี้เขาจะเข้าใจเองว่าเราพูดถึงอะไรแต่มันใช้ความเพียงไม่ใช่น้อยที่จะกว่าจะคือคือยอมรับและภูมิใจตัวเองอยู่อย่างเดียวคือเพียงค่ะอย่างอื่นนี่ทุกคนก็รู้เหมือนกันหมดทุกคนมีสภาวะนี้หมดเพียงแต่ใครเพียง น, น้อยเพียงมากมันก็ไปไวกว่าอย่างนี้แค่นั้นเลยค่ะความเพียงเท่านั้น การเจริญสติหนูก็เพียนมากเพียนจนจนจิตเห็นแบบเห็นความคิดทุกความคิดไม่เคลื่อนเลยแบบฝันยังรู้เลยว่าฝันอย่างเงี้ยขนาดนั้นเพียนแบบขนาดนั้นจริงๆมันก็เลยมันออกผลมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอ่อมันไม่ได้บอกว่าเรารู้อะไรแล้วเหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนไม่ใช่โอ้ยเราเราถึงขั้นนี้เราแจ้งอะไรมันไม่มีมันไม่มีรู้ว่า คือรู้แต่ว่ามัน ม, มีผู้ที่บอกว่าเอ่อเราไปเรารู้อะไรเราเราเราอย่างเงี้ยเราถึงขั้นไหนเรารู้แจ้งเห็นจริงไหมเราเราอย่างงี้มันหายไปแต่มันคือมันนิ่ ง, งๆเฉยๆคะ่ะมันไม่ต้องมาตื่นเต้นอะไรกับอะไรแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ทราบว่าเอ่อใครมีคําถามอะไรเพราะว่าตอนนี้หรือครับค่ะไม่กินข้าวหิวข้าวไหมครับรู้ไหมครับว่าหิวข้าวครับ ก็เหมือนคนปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบพิเศษอะไรก็หิวข้าวใช่ไหมครแล้วรู้ไหมครับว่าหิวข้าวก็รู้ก็มันก็รู้ของมันเองค่ะไม่ต้องตั้งใจรู้อะค่ะรู้ใช่ไหมครับว่าหิวข้าวไม่ได้ถูกใช่ไหมตอนนี้ไม่หิวนะคะไม่ใช่สมมติว่าถ้าเกิดหิวข้าวอ่ะมันก็หิวข้าวก็รู้ว่าหิวข้าวใช่ไหมครับหรือว่าไม่รู้ว่าหิวข้าวก็ถ้าถ้าหิวก็รู้ว่าหิวอะค่ะ แล้วใครไปหิวอะครับก็มันหิวของมันนะคะร่างกายหิวอะค่ะร่างกายร่างกายก็หิวของมันเราไม่หาแล้วว่าใครหิวอะค่ะเพราะว่าร่างกายเป็นหิวมันก็หิวตามสภาวะของร่างกายที่หิวอะค่ะแล้วยังไงต่อครับพอเห็นว่าหิวแล้วยังไงต่อครับก็หิวก็กินข้าวอะค่ะง่ายๆเลยหิวมันเกิดความอยากไหมครับจริงไหมคือว่าที่เกิเราหิวคือ เห็นเห็นอารมณ์อยากกินไหมหรือว่าคือถ้าเราไม่เกิดอารมณ์อยากใช่ไหมถ้าตามปฏิจจะใช่ไหมครับถ้ามาดูคือทฤษฎีปฏิบัติมันเอามาใช้ได้จริงใช่ไหมครับมันถ้าเรามีสติรู้อย่างเงี้ยมันจะต้องเห็นถ้าตามหลักปฏิจจมันต้องเห็นตามหลักทฤษฎีถ้าเราเห็นไม่ถูกแสงียงทฤษฎีต้องผิดใช่ไหมครับคือแล้วอันนี้เป็นไงบ้างครับผิดไหมครับเห็นความอยากไหม เห็นอะไรบ้างหรือเห็นแค่หิวอย่างเดียวก็กินเลยหรือยังไงเอ่ยคือถ้าเราเราความอยากมันอยู่ถ้าถ้าพูดเรื่องปฏิจจาก็ต้องเรียงมาเลยค่ะอวิชาวิญญาณใช่ไหมคะเพราะเราเราเห็นวิญญาณเราดูความจริงครับดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้ครับไม่ใช่เมื่อกี้น้อปฏิจจมาพูดไงพีกันเลยว่ามันจะเกิดทำจะเอาตรงนั้นหรือ่ถ้าเกิดถ้าเกิดทางทางคุณนิชาพูดถึงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สติรู้ใช่ไหมครับเวลารู้เนี่ยมันจะเห็นตามทฤษฎีเลยอันนี้ผมก็เลยถามว่ามันเห็นมันเห็นจริงเห็นตามทฤษฎีไหมหรือว่าไม่ได้เห็นเห็นแค่ว่าหิวมันเป็นไปตามทฤษฎีคือมันเป็นไปตามทฤษฎีแต่ไม่มีผู้ไปเห็นนะคะก็มันเป็นไปตามทฤษฎีค่ะคําถามผมคือเห็นมือมันอยากะครับเห็นไหมครับว่าอยากกิน หรือว่าไม่ได้มีความอยากกินหรือว่ายังไงะครับที่คืออันนี้นนเป็นรายละเอียดที่ผมถามเพิ่มขึ้นจากที่ว่าเห็นหิวข้าวใช่ไหมครับมันเป็นรายละเอียดหรืออะไรก็ได้ที่ประสบการณ์ตรงก็ได้ครับคือคุณนิชาอาจจะไม่ได้หิวข้าวอาจจะนึกไม่ออกหรือเอาเอ า, เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาพูดมาเล่าให้ฟังก็ได้ครับแต่อันนี้มันคือรายละเอียดของการรู้ครับก็คือมันรู้อ่ะค่ะมันรู้รู้ว่าอยากหรือรู้อะไรของมันก็รู้ แต่มันไม่มีคําว่าผู้เท่านั้นเลยค่ะมันรู้โดยที่ไม่ได้ว่านี่คือผู้ที่ไปรู้นี่คือผู้รู้จริงอันนี้คือผู้รู้ทํางานแต่มันรู้ว่ามันก็แค่มันรู้ว่ามันอยากก็แค่นั้นมันไม่ได้แบบผู้รู้ทํางานที่จะไปรู้ว่าอยากรู้อะไรเงี้ยอยากอยากกินอะไรเงี้ยคือผู้รู้ที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่รู้เนี่ยมันเหลือแต่รู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้จริงผู้รู้ปลอมคือถ้าผูพูดว่าอยากอยากกินไหมก็รู้ว่าอยากกินนะคะคุณเห็นอะไรบ้าง้็ถามผมเลยคือรู้รู้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างก็คืออยากกินข้าวก็คือรู้เหมือนคนปกติอ่ะเหมือนคนไม่เคยทําปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเลยอยากกินข้าวอ่าอยากกินข้าวก็แค่นั้นอ่ะก็ไม่รู้ทันอารมณ์ดีถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ยังโกรธอยู่ดีครับใช่ไหมครับยังโกรธยังมีอารมณ์ปกติดีใช่ไหมครับโกรธแต่ว่า แต่แต่เราไม่ได้ไปร่วมกับโกรธไงเหมือนโกรธแต่แตก่กายมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่ใจเราไม่ได้ไปเอ่อไปมีอารมณ์อะ่ะคืออันนี้ครับผมผมบอกได้เลยว่าอ่ามันมีอะไรที่เยอะกว่า น, นี้ครับลองศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจอะไรมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าตามหลักอ่าเรื่องอันนัตไใจลักแต่ครับ อขันท่ามันแยกเป็นกองมันจะไม่มีอาตาัตราไม่มีตัวตนครับพอเราเข้าใจหลักการเนี้ยครับความโกรธมันก็จะไม่มีด้วยครับอารมณ์ความรู้สึกมันจะมีแค่ความสงบอยู่ในจิตใจครับลองลองศึกษาเพิ่มเติมดูครับมันมีอะไรที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมครับลองดูครับขออนุญาตอีกหนึ่งครับคือ <c oughs> คือถ้าเรนจะถามเขานั้นก็ก็เขาก็ตอบแล้วแล้วก็เรนจะซื้ออะไรอีกอ่ะ ผมจะถือว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะะครับที่ยังไม่เห็น not, หรือยังเห็นไม่ครบถ้วนครับเพราะว่าสิ่งที่ผมถามมันมันมีอะไรที่เยอะกว่านั้นเงี้ยครับแล้วทําไมทําไมเลนจึงเชื่อว่ามีอะไรเยอะกว่านั้นล่ะก็เพรผมผ่านมาแล้วไงครับผมถึงพูดได้ครับมันผ่านยังไงผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ยกตัวยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเลนถามว่าเขาหิวข้าวไหมเลนถามเพื่อซื้ออะไรอ่ะ ก็ถามอยากอยากสร้างกันครับว่าส enfin ิ่งที่เห็นเป็นยังไงี้ครับแล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับอย่างที่ผมถามผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็แชร์ประสบการณ์ให้ผมของผมที่ผมผ่านมานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเห็นได้มากกว่านั้นเนยครับอย่างเช่นเห็นความอยากอยากกินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอสิ่งที่เห็นเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองผมอะไปหาตาลังอ่านก็คือตใจค่ไม่เป็นไรคือ ถ้านองคิดว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือเราอธิบายยังไม่ได้คือเราก็อธิบายได้แค่เนี้ยโกรธแต่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมแต่มันโกรธก็โกรธมันมันเป็นขันที่ต้องโกรธมันเป็นอุหมปนิสัยที่อยากมันควรจะโกรธตรงนั้นอยู่ดีๆจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันมันไม่โกรธเลยมันเอ่อถ้าพูดจากใจจริงมันโกรธแต่เราไม่ได้เราไม่ได้แบบ มันโกตรธตรงกายมันโกรธอาจจะปีมีเวลามีปิติน้ําตาไหลก็ไหลของมันไปเราไม่ได้แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้าน้องอธิบายได้ก็พี่ก็อยากฟังเหมือนกันว่าว่าตรงถ้าน้องผ่านตรงนั้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงหรออย่างเงี้ยอมอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ทันไงครับพี่มองไม่เห็นไงครับคือเหมือนอารมณ์พอเราโกรธใช่ไหมครับเราจะไปอยู่อารมณ์โกรธใช่ไหมครับ ไม่ไม <c oughs> คือพี่ <c oughs> ทันตรงนั้นมาแปดปีแล้วไง <c oughs> คือพี่เห็นมึหมดแล้วที่น้องพูดว่าเนี่ยโกรธเมื่อไหร่รู้พี่เห็นจนกระทั่งโกรธเสร็จแล้วบ่นนิดหน่อยก็เห็นโกรธเสร็จแล้วอยากอยากจะด่าก็ดา่าด่าเสร็จแล้วด่าแล้วก็เห็นว่าด่าแล้วอ่าเสร็จแล้วกอ็อะไรทุกๆเครื่อนไหวที่จิตทำงานได้พี่เห็นมาแปดปีแล้วจนตน จนมันมันเหนือตรงที่ว่าต้องไปดูว่ามันโกรธไหมอะไรมันไรสาระคือสุดไอ้ไอ้ตรงนั้นมันไร้สาระสําหรับพี่แล้วว่าต้องไปดูว่าว่ามันน่ะต้องโกรธไหมต้องอยากไหมคือเข้าใจไหมคือว่าพี่ผ่านกระบวนการนั้นมาละเอียดละเอียดละเอียดไม่รู้จะละเอียดยังไงละคือเห็นว่ามันมีเสียงมากระทบเสียงมากระทบปฏิจจที่ที่น้องบอกว่าพี่เห็นเห็นมาแบบละเอียดเลยว่า เออคนนั้นด่าเราด่ามันกระทบหูหูมาจากใจใจไปไหนต่อไหนต่อไหนต่อแล้วก็จนมันดับอะไรเงี้ยคือคือไอ้ตรงนั้นพี่ไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่านั้นมันเป็นแบบอดีตที่ ท, ที่ที่ผ่านมาค่ะแต่แต่ไอัยที่พี่พูดคือมันเออมันคือตัวที่ไปเห็นตรงนั้นอีกทีว่าเออเออไอ้ตัวนั้นอะใครไปเห็นและใครอะเป็นคนที่เห็นมันอีกที แล้วใครอะเป็นคนที่เห็นมันอีกทีสรุปตัวเราอะสรุปมันเป็นตัวเราเราก็เลยไม่เอาทั้งทุกอย่างที่เห็นที่รู้ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะเข้าใจไหมพี่รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงโกรธทำไมเราถึงด่าเหตุมันคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวหลวงพ่อขอขั้นรายการนิดหนึ่งเนาะโยมนิดชาเนี่ยอธิบายได้ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นอาการของจิตถูกรู้ถูกเห็นมาหมดแล้วโยมก็ดูมาเจ็ดแปดปีแจ่มแจ้งแต่ที่โยมนิชาไม่ผ่านเพราะว่ายังมีผู้รู้ผู้รู้เหมือนกับที่โยมเรียนถามมานะว่ารู้ไหมมีความอยากรู้ไหมมีความโกรธอันนั้นแหละล้วนแต่เป็นอาการเป็นสิ่งถูกรู้แต่ของโยมนิชาเนี่ยมันเลื่อนชั้นถึงขั้นระดับไปถึงผู้รู้ ที่เรียกกันว่าเป็นผู้รู้ปลอมนะผู้ดูนะผู้ดูอาการของจิตนั่นอันนี้ก็เป็นผู้ดูปลอมทีนี้โยมนิชาเนี่ยมีปัญญาเห็นว่าโอ้ยังมีเราเป็นผู้ดูซึ่งเป็นตัวปลอมแต่ขณะที่รู้จักตัวปลอมเนี่ยก็มีปัญญาถึงขั้นรู้จักความรู้จริงที่มันพ้นไปจากผู้รู้ปลอมโยมนิชาเนี่ยอธิบายถึงอีกขั้นหนึ่ง แต่ของโยมเลนเนี่ยของโยมเลนเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนียยังไม่รู้จักตัวเราผู้ถามเลยก็ถามถามถามถามเห็นไหมมันมีผู้ถามอยู่ของโยมนิชาเนี่ยผ่านผู้ถามไปหมดแล้วพอพบผู้ถามเห็นว่าผู้ถามเนี่ยมันเป็นสังขารตรุงแต่งพอเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันจึงหยุดสังขารเสียได้ก็คือไม่ถามพอถามก็รู้ทันพอจะถามก็รู้ทัน ได้แต่รู้ทันรู้ทันตรงนี้ยเขาเรียกว่าดับสังขารซึ่งเขาเรียกว่าถ้าไม่ดับสังขารคือไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารมันก็เป็น อ, อวิชาเป็นปฏิจสมุกบาทเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมถ้ารู้ทันสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณอะไรก็ดับทั้งสายแต่ของโยมเรนอะยังไม่รู้จักหัวขบวนมันเลยอะเพราะฉะนั้นโยมเรนต้องต้องฟังอีกเยอะ นะเพื่อจะให้รู้จักว่าอะไรเป็นสังขารอะไรที่มันไม่ใช่สังขารนะถ้าเราถามไปแบบเนี้ยมันก็เป็นสังขารพูดพูดตอบพูดตอบก็เป็นสังขารอนะก็สังขารไปด้วยรเราคยร่วมประสบการณ์จริงครับหลวงพ่อครับเราคยร่วมประสบการณ์จริงอย่างเช่นโกรธเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีอะไรที่เยอะกว่านี้มันจะไม่โกรธนี่ยครับผมถึงถามทางคุณนิชาว่าเหตุที่โกรธรู้ไหมว่าทําไมถึงโกรธทาไมเราถึงด่า ถ้าบอกว่ารู้อะรู้เห็นอะไรบ้างทำไมถึงโกรธอ่อเรียนลองที่นานนะความโกรธตอนเนี้ไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่เราพูดเราทําเนี่ยมีอยู่จริงทำไมเออทําไมเราเราไม่พูดในประเด็นที่ที่สิ่งที่มีอยู่จริงละ่ะเออคือคือเ อ, อแล้วแต่แล้วแต่คือผมยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณนิชายอยากจะคุยกับผมก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรผมผมไม่มีปัญหาครับคือแต่เมื่อกี้พอผม